พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2554มีชื่อเรื่องว่ากรรมฐานสงเคราะห์โลกพระธรรมเทศนาแผ่นที่59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 854วันให้ตรงกับวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2554เป็นวันลอยกระทงเป็นวันเดือน12เพนปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวเป็นถ้าสมัยก่อนก็ถ้าทางภาคกลางเขาคงจะถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันสําคัญวันหนึ่งวันสนุกสนานวันลอยกระทง แต่ปีนี้ไม่รู้จะลอยไปที่ไหนเพราะน้ำมันเต็มท้องทุ่งไปหมดถ้าขืนปล่อยลอยกระทงไปก็ไม่รู้ว่ากระทงนั้นจะไปเข้าบ้านเข้าไปหมู่บ้านไหนก็ไม่รู้เพล่เพลหมู่บ้านนั้นอาจจะมีน้ำมันออลอยอยู่เหนือน้ำ เ, เข้าไปอาจจะไหม้บ้านคนก็ได้มันไม่สนุกละปีนี้ต้องปีต้องงด งดลอยกระทงถ้าเป็นไปได้งดจุดผุงดลอยกระทงคนมีทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะไปสนุกสนานไม่ได้ห <c oughs> ลวงพอ่อออกจากวัดไปหลายวันคราวนี้ออกจากวัดตั้งแต่วันที่สี่วันที่สี่พฤตจิกายนหลวงพ่อ ลงไปทางกรุงเทพนั่งเครื่องวันวันวันที่สี่งเครื่องวันที่สามไปวันที่สามนั่งเดินเครื่องลงไปไปลงสุวรรณภูมิออกจากสุวรรณภูมิก็ไปเยี่ยมโรงทานที่วัดของเราได้ช่วยเหลือโรงทาน ตั้งเชื่อหลงทานหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเพราะท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์พี่น้องประชาชนชัตธาญาติโยมมาโดยตลอดเพราะ่านพวกเราในฐานะลูกหลานถึงท่านหลวงตาจะจตินิรพานไปแล้วลูกหลานพวกพวกเราควรจะเดินตามแนวแถวสงเคราะห์อนุเคราะห์พี่น้องประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากลาบาก หลวงพ่อก็ให้โยมทางบ้านตาดหลวงพ่อเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลวงพ่อคณะพวกเรานะวัดของเราพวกคณะของพวกเราเนี่ยให้การสนับสนุนไปแล้วที่หลวงพ่อดูตัวเลขผ่านวัดของเราเนี่ยละวัดละเงินวัดของเราด้วยหมดไปแปดแสนแปดหมื่นกบาทแล้วก็ ยังข้าวชวนข้าวเนะ่ยเอากับจากคณะสัตยาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นโรงสีเอาออกมาเนะียอันนี้ยังไม่ได้หารกันอีกไม่รู้ว่าจะหมดไปเท่าไหร่จนกว่าจะเสร็จงานนั้นละ่ะจึงจะออกมาหารกันว่าข้าวหมดไปเท่าไหร่แต่เนี่ที่ส่งไปข้าวเนี่ยก็คือเป็นข้าอาหารเพวกอาหารแห้ง แล้วก็ขอความสนับสนุนจากทางต่างๆที่ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์มีข้าวห่อด้วยก็คงจะมีอาหารมีน้ําด้วยก็ขอน้ําพอซื้อก็ซื้อพอที่จะเอามาได้ก็เอาส่งมามีข้าวเหนียวห่อหนึงแล้วก็มีกับของแห้งห่อหนึ่งแล้วก็มีขวดน้ํา นึงอันนี้คือแจกเอาไปแจกในในที่กันที่น้าท่วมใส่ใส่รถทหารไปมีทหารสองหน่วยหน่วยหนึ่งรบปุรีแล้วก็นหน่วยหนึ่งทางเ ส, สิงเซารถสูงรถหกลอ้อแล้วกพวกเนี่ยพวกไปทำโรงอาหารก็ไปช่วยๆยกันไปแจกด้วยแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มกันไปแจก แต่โดยมากใหม่ๆพวกเราก็ยังไม่รู้ว่าจะแจกจะไงอันนี้แหละคือการแจกไม่ใช่แจกธรรมดาอลวงพว่อค้นสืบสอบดูในการแจกเป็นไปได้ทั้งนั้นผลประโยช์ก็เลยเอาทหารเอาคนต่างถิ่นเข้าไปเลยแล้วก็เอาคนในท้องถิ่นเป็นผู้นําอคือไม่ได้ผลประโยชน์คนในท้องถิ่นกันคนห่างๆอย่างพวกเราเอาเปรนายญง ไปแจกอำเภอแถวอำเภอสังคมอำเภอบ้านผือลักษณะอย่างนั้นอ่ะซอยไหนซอยไหนกับประกาศมา โ, โหลไปเออเอาหลวงตามหาบวัวชนะรมปโนวัดปาบ้านตาดคณะสิทธิ์ทางร้ายได้ออกมาออกหน่วยแจกข้าวเหนียวของแห้งน้ำผู้ได้ต้องการขาดตกป ก, ปกพ่องมารับได้นะเขาก็ปกปก ป, กประกาศปกต่ อ, ต, อต่อกัน พอมาถึงเขาโอ้บางคนก็น้ําตาหลังน้ําตาไหลว่าเคยไปทําบุญกับองค์หลวงตาบางคนก็ยกสองนิ้วบางสามนิ้วบางสี่นิ้วบา ง, บางห้านิ้วบางเราก็ให้ตามที่เขาเขาขอพราะคนในบ้านเขามีห้าคนอย่างนี้เขาก็ขอห้าหอ่อเราก็ให้ไปห้าหอ่อลักษณะอย่างนั้นแหละแจกของในคราวนี้ก็มีมีน้ําด้วยแตบบ่เมื่อวาน หลวงพ่อก็ติดต่อไปทางหลวงพ่อสุธรรมบ้านน้องไผ่สกล น, นครท่านบอกเออมีไหมน้ําอะมีอยู่ครับเออเอาเดี๋ยวจะเอารถสิบล้อไปขนเอานะก็เลยเอารถสิบล้อไปขนเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่สิบนะ อ, อวันที่แปดวันที่แปดที่เก้ารถไปถึงพอดีน้ําประมาณหมื่นหมื่นเก้าพันขวดนะขวดนี่แหละขวดครึ่งเล็ดเนี่ย กดใหญ่พอสมควรแล้วก็จะได้ไปแจกพี่น้องเราบอกยังเอาอีกนะถ้ามีอีกเอาอีกสักรับไม่อัน้นถ้ว่าจะได้ประมาณสักสามคันรถเพราะลูก เ, เม็ดพลาสติกหมดโรงงานผิดไม่ทันไม่รู้จะเอาเม็ดพลาสติกจากที่ไหนได้ผลิตได้แต่เพียงประมาณจะได้อีกประมาณสักรถสิบ ล, ล้อสักสามสองคันอันนี้คือคันที่หนึ่งไปได้แล้ว อีกสองฮะนี่แหละหลวงพ่อเองไม่ได้เนิ่งดูดายในการทุกยากของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพแล้วก็ไปหลวงพ่อลงไปไปที่สะเซิงเซาไปพักในละแวกนั้นกับไปเยี่ยมลงทานศรัทธาญาติโยมมาหลวงพ่อก็ประกาศพอประกาศตอนหัวค่ำได้เงินเจ็ดหมืนมาพอตอนเช้ามาอีกประกาศอีก ได้เงินรวมกันแล้วได้แสนกว่าบาทวะนะหลวงพ่อก็มอบให้หลงทานทั้งหมดที่ได้มาแล้วก็ไปบินทบาทพวกชาวตลาดเขากดเนี่เห็นว่าหลวงพ่อไปบินทบาทข้าวสารอาหารแห้งเขาก็ใส่มาโอ้ได้เยอะเหมือนกันเอาเอาไปแจกพี่น้องประชาชนจากนั้นพอฉันยัหันเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็บินลงไปกรุงเทพไปภูเก็ตเนี่ยพงงานใหญ่ก็คือภูเก็ต อันนี้เป็นสายทางแยกไปพักไปลงสุวรรณภูมิแล้วก็ไปที่ชะเ ส, งสิงเซาบางบางน้ำเปลี่ยวนี่คือทางแวะไปดูโรงทานที่หลวงพ่อไปตั้งโรงทานคณะจตทาญาติโยมลูกศิษย์องค์หลวงตาไปตั้งโรงทานก็รู้สึกว่าผู้ที่มาแพ็ทของช่วยโรงทานหรือว่าผู้จียุนตั้งเป็นผู้อยู่หน้าเตา ก็เอาคนไปทางอีสานของเราเนี่ยนะแถวอุดรบังโคราชบังแต่ที่วัดของเรากันเนี่ยไม่ชีป้อมเลยกับคณะลงไปเจดคนลงไปจัก่วันที่สี่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่นู่นแหะหลวงพ่อวัดท่าพี่น้องลูกหลานจะลงไปก็คงจะอยู่นานพอจุงควรนะอย่างน้อยก็ต้องสิบห้าวันคือสองอาทิตย์ถ้าเอาลงไปแล้วขึ้นมาก็ไม่คุ้มค่ารถพอาค่ารถน้ํามันถ้าใครจะไปก็ต้องเสียสละไปช่วย เราบ้านเราไม่ได้รับความเดือดร้อนพวกเราก็ควรจะไปช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางภาคกลางถึงจะยังไงคือน้ำใจของพวกเรานี่แหละพวกเราวัดของเราก็ได้ส่งทั้งคนลงไปช่วยด้วยทั้งสเสบียงด้วยทั้งเงินด้วยเรื่องนี้นก็ลงไปช่วยคิดว่าถ้าไม่มีอะไรก็จะกลับวันที่สบเกาว่างั้นนะลงไปวันที่สี่ ถ้าเราปูปรับขึ้นไปขึ้นไปลงมาก็เสียค่าน้ํามันรถพอเอารถารถลงไปส่งอันนี้เขาก็ทําแต่ทางนน้นเขาก็ชาวตลาดเขาก็ไม่ได้นิ่งดูได้เขาก็มาแผลกอาหารใส่ถุงใสอะไรเอจากนั้นก็ใส่กล่องใส่กล่องใสกล่องส่งขึ้นทหารพถทหารทหารก็ได้เวลาก็ออกไปแจกสายนั้นแจกสายนั้นแต่ละสายแต่ละสายเห็นแล้วก็เออรู้สึกว่า ปลื้มใจเหมือนกันที่รงหลวงพ่อไปเห็นแต่อย่างน้อยบางครั้งก็คนน้อยมันก็มีวันน้อยวันมากแต่วันมากก็ได้ประมาณ 6,000 6,000 ชดุดไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะบางวันก็แต่ไม่ต่ำกว่า 4,500 4 5ห0าสีอชุดที่ข้าวเหนียวบางที่ก็แต่เขาก็ทดลองหลายๆอย่างทีแรกก็ทำเป็นข้าวเจ้าข้าวสวย แล้วก็ใส่พวกข้าวราดหน้าใส่กล่องแล้วก็ส่งไปอันนี้เสียง่ายอย่าง น, นี้พอมันถูกความร้อนเข้าไปอบกันเข้าไปข้าวเจ้ามันเป็นเหนียวมันเป็นมันเหนียวแล้วแตงกวามทําให้มันเน่าง่ายก็เลยงด เ, เว้นเสียแต่คู่อยู่ใกล้ๆจะไปแจกตัวเร็วอันนั้นเขาก็ทําไปแจกเร็วก็มีอยู่แต่ว่าข้าวเหนียวเราเก็บไว้ได้นานอันนี้นะคือเขาเน้นไปทางข้าวเหนียว มีหยุกมียาอะไรด้วยทําได้อะไรมาก็แจกอันนี้ก็คือหลวงพ่อจะไปเก็บไว้นาของจากหลวงพ่อบิณฑบาตหรืออะไรได้มาของใครได้มาก็ตามเ่ามาแล้วจะไปเก็บไว้ถ้าเก็บไว้แล้วมันคนนั้นหยิบคนนั้นฉวยหายไปทีละน้อยละน้อยอันนี้เขามาให้คนบริจาคบริจาคทําบุญทําทานเราต้องให้ถึงมือเขาเ อ, อพวกเราเนี่ยอยู่บนบกมีแต่ว่าความโลภอยากจะได้เท่านั้นเอง มันความโลภไม่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่พวกเขาลำบากเขาลำบากจริงๆรลอยคอลอยน้ำอยู่หาจะอาหารซื้อที่ไหนก็ไม่ได้อันนี้พวกเราต้องคิดนะนี่แหละหลวงพ่อก็มอบปัจจัยให้แสนหนึ่งทไปพักคืนเดียวจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เวลาก็ไปนั่งรถจากสวรรณภูมิลงไปภูเก็ตพอไปภูเก็ตไปถึงตอนเย็นไปถึงบ่าย สามใบสี่ห้าโมงเย็นประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็นิมนต์หลวงพ่อไปเทศที่ศาลศาลเยาวชนศาลอาญาศาลที่หลายๆลายศาลเพวกคณะศาลพิพากษาหัวหน้าศาลทอดกระถินวัดสมณ ก, กิจวัดหลวงปู่เทศหลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมตอนหัวค่ำพอพุ่งนิชเช้าก็ไปรับกระถิน เขาถวายปัจจัยมาอีกเหมือนกันนะภูพี่น้องภูเก็ตถวายมาแสนกว่า บ, บาทเหมือนกันหลวงพ่อก็รับไว้เออเอาได้จะส่งเข้าไปน้ำํำท่วเหมือนกันแต่การลงไปภูเก็ตคราวนี้ไม่ใช่ลงไปงานกระถินอย่างเดียวคือคณะสัตยาญาติโยมเศรษฐีเก่าพูดอย่างนั้นได้เลยเศรษฐีเก่ากรุงเทพเขามีที่ดินติดวัดหลวงปูเทศวัดสมนักกิจเนี่ย บาเพ็ญสมณกิจเนี่ยวัดหลังศาลเนี่ยที่ดีมีติดอยู่สามไร่อยู่หน้าวัดหน้าวัดติดวัดพอดีเลยเออก็มีปัญหาแต่ก่อนแต่คราวนี้เขาบอกว่าอยากจะถวายให้แก่วัดบําเพ็ญสมณกิจวัดหลวงปุ่เทพเนี่ยสามไร่สิบเจ็ดตารางวาแต่ต้องหลวงพ่ออินเป็นผู้เป็นประธานมารับจึงจะจึงจะถวายหลวงพ่อได้ยินก็เอออาจจะเกิดประโยชน์ ต่อวัดวาศาสนาต่อพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็ได้ลงไปแต่ตามไม่จริงกรถิ่นธรรมดาหลวงพ่อก็ไม่ให้ความสําคัญเพราะกรถินทุกวัดมันก็มีอยู่แล้วแต่นี่จะถวายที่ดินเนี่ยตั้งสามไร่กว่าที่ดินภูกเก็ตอีกต่างหากไม่ใช่ราคาถูกแต่ไปเขาก็ถวายจริงๆหลวงพ่อเขาถวายกับมือหลวงพ่อจริงๆโฉนดใบนั้นราคาไร่ละ8ดล้านกว่าฟังดูสิ หลายละแปดล้านล้านกว่ารวมแล้วก็ย24่ล้านกว่าที่ดินแปลงนี้หลวงพ่อได้รับต่อหน้าคณะสงฆ์แล้วก็เอออหลวงพ่อรับแล้วนะคณะสัาญาติโจมผู้ที่ถวายที่ดินให้ได้บุญได้กุศลมากๆหลวงตามหาบัวเคยพูดว่าผู้ใดก็ตามถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาอันนั้นปูทางไปถึงพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ผู้ที่ถวายแผ่นดินไว้ในพระพุทธศาสนาผู้นั้นจะปลูกทางเป็นแนวทางที่จะไปสู่พระเจ้าจากักรพรรดิผู้สูงส่งในแผ่นดินเพราะนั้นบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ถวายแผ่นดินไว้ในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้หลวงพ่อรับแล้วขอให้เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับเจ้าภาพลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนอให้จเรจริญยิ่งโดยอายุวรณนะสุขะภาละเมื่อหลวงพ่อรับแล้วอา้าวหลวงพ่อจะมอบให้แก่เจ้าอาวาส วัดหลังสารเน่ยเป็นจักีพยานร่วมกันแล้วก็พร้อมกับการของมอภัยพระอาจารย์จิรวัตรที่เขาเคอที่มาดูแลวัดหลังสารร่วมกันกับอาจารย์จํารัตเนี่ยและกัคณะกรรมการนะมอภัยทุกคนนะให้ทำให้ใช้แผ่นดินผืนนี้สมไร่กว่านี่ให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากที่สุด เท่าที่จะมากได้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแล้ให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้จัดการเป็นผู้ดูแลต่อไปหลวงพ่ อ, อมอบแผ่นดินสามไร่ให้แกเจ้าวาดและคณะกรรมการของวัดอันนี้ก็คือหลวงพ่อลงไปในคราวนี้จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จังหวัดภูเก็ตที่เขาจัดขึ้นมาก็คือศาล สารจัดขึ้นมาเพื่อเถิดทุนในหลวงของเราถเอร้อยดวงใจเถิดไทยองราชันก็จัดขึ้นมาก็มีคณะชาวภูเก็ตพวกฉันพิพากษาสมทบไปฟังเยอะวันนั้นประมาณบ่ายโมงหลวงพ่อก็ไปแสดงธรรมที่นั่นจากนั้นหลวงพ่อก็ไปที่พักบอกที่พักวันลุงขึ้น เขาคนในมนหลงพ่อลงเรือทขึ้นทั้งขึ้นทั้งเครื่องบินทั้งขึ้นทั้งรถลงทั้งเรือด้วยท่านิเขาลงเรือไปเรือเขาใหญ่มากนะแล้วจุคนทั้งสามสี่ร้อยคนแต่จัดโยมของเราก็ไปเยอะเขาถวายฟรีเลยเพราะงั้นถวายฟรีเลยรถคันนี้เรือคันลำนี่เลยใช้น้ํามันประมาณสิบถังไปเกาะพีพีนะเปลี่ยนไปประมาณสิบถัง 10บถังแดงอ่ะทังละสองร้อยลิตรไม่ใช่น้อยเหมือนกันต่อไปก็หลวงพ่อเออคณะสัทธาญาโยมมาทั้งทีพวกเรากควรจะออทำใจให้เป็นกุศลไปช่วยโรงพยาบาลหลวงตาที่เกาะพีพีที่เกาะพี พ, พ, พีเนี่ยคือสมัยนั้นก็โอ้สีนามิเนี่ยคนตายไม่รว้ ก, กี่กี่ร้อยกี่พันโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ตายอยู่ที่นั่นเยอะ เเดี่ยก็โรงพยาวาลหลวงตาก็ไม่เป็นไรนะครับนะเสียหายนิดหน่อยแต่ เ, เราก็เลยไปสร้างไปเอาเงินรวบรวมจิตุปัจจัยไปมอบห้พออหมอเขามีคนเดียวนะแต่คนไข้ก็มากอยู่เป็นร้อยแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชาวต่างชาติมีคนไทยบ้างแต่จางต่างชาติเป็นส่วนมากนะี่ยไปพักอยู่ที่นั่น เพ้นต์ตะโรังเจ้าต่างชาติเต็มไปหมดเราก็มอบให้1 0 0 0 0แสนกว่าบาทคณะของเรานะเงินของวัดเราห้าห0 0 0น 50, มอบให้แกโรงพยาบาลพ p พเกาะ p พที่ลงตาไปสร้างลงตาไปสร้างหมดไปมันเกือบหล้านนะโรงพยาบาลหลังนี้ก็ไปสร้างในทะเลมันก็ค่าใช้ใจ่ายสูงพอสมควรแต่หลังก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ เพราเหตุว่าขนปูนขนหินขนทรายไปจักข้างบกกว่าจะไปถึงได้กว่าจะไปสร้างได้เอหลวงตาเห็นไหมไปช่วยทุทกหัวและแห่งของประเทศไทยท่านมีเมตตาเที่งขนาดนั้นแหละแล้วก็เกาะยาวอีกหลวงพ่อเคยไปเมื่อสองปีที่แล้วก็ได้ไปให้ไปหาทุนช่วยเขาเหมือนกันมอบให้แก่พออโรงพยาบาลเขาคือเราไปที่ไหนที่เป็นเอ ฝีไม้ลายมือของโรงตาไปฝากเอาไว้พวกเราไปแต่ละครั้งพวกเราก็จะต้องรวบรวมจิตตุปั จ, จเท่าที่มีในคณะของเราไปมอบให้แต่คราวก่อนได้เกือบสามหมืนมั 2, ้งสองหมืนกว่าแต่คราวนี้ได้แสนกว่ามอบให้แก่โรงพยาบาลพีพนะีนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราเสร็จแล้วก็กลับมากลับมาพักพกุงในเช้าออกมานะออกตั้งแต่ตีห้าท่นะ้ มาขึ้นเครื่องมาฉันจังหันที่สนามบินภูเก็ตพอฉันเสร็จแล้วก็ะนะขึ้นเครื่องประมาณเจดโมงกว่าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดเจ็ดเกือบแปดโมงขึ้นแอเ อ, เ, อเชียบินจากภูเก็ตลงอุบลนี่แหละงานของหลวงพ่อขนาดนั้นละคณะสต า, าญาติโยมลูกหลานบินจากภูเก็ตลงอุบลใช้เวลาชั่วโมงห้าสิบนาที พอมาถึงแถ บ, บจะลงอุบลมองลงไปในพื้นดินอีกน้ําท่วมโอ้โหคิดว่าเห็นแต่ทุ่งกรุงเทพลงไปเอสนามบินสุวรณภูมิลงไปบองไปเห็นทะเลสาบเออเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่ทะเลสาบมันท้องนาน่ะแล้วก็ที่บ้านว่าเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อม น, นิดนิดหน่อยหน่อยบางทีก็โผล่ขึ้นมาเ อ, อเป็นทะเลสาบใช่มากแต่พอมาเห็นอุบลนีก็ไม่ใช่ย่อยอีกเหมือนกัน แถบแถ บ, แถบอุบลแถบสุรินทร์น้ำสีน้ำมูลโอ้อันนี้ก็เสียหายมากหลวงพ่อเห็นแล้วโอ้ทำไมประเทศชาติทำไมโลกทุกวันนี้จึงน้ําท่วมมันเป็นเพราะคนพูดมากก็ไม่รู้หลวงพ่อก็พูดมากน้ําลายท่วมท่วมบ้านท่วมเมืองอันนี้ก็เหมือนการเห็นเลยเห็นนั่งอยู่เครื่องบินนี่ลงมองลงไปข้างล่างโอ้น้ําท่วมอุบลหลังคาพ้นจำปอมจำแปมอยู่เหมือนกันนะ่ะ ไม่แพ้ทั้งภาคกลางจุดจุ ด, จดนี้เว้ยงั้นอ่ะจากนั้นก็ลงสนามบินเแต่มันวิ่งเข้าเขารับหลวงพ่อแล้วก็มาจังหวัดยะโสธรเนี่ยมาจอดยโสธรพักในช่วงระยะหนึ่งเขาคนนี้โหมลขึ้นไปเทศอีกล่ะท่นนาเทศงานหลวงปู่ศอเขาจะวางชีลาเลิกหลวงปู่ศอีก็หลวงปูป่บุญมีบ้านนาคูนเป็นสองพี่น้องกันที่หลวงพ่อรับเลยนะ ถาว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหลวงพ่อคงจะไม่รับไกลขนาดนั้นอันนี้ถือว่าเป็นญาติโก้ของอติกาเป็นญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อเหมือนกันพอหลวงปู่บุญมีหลวงพ่อถือว่าเป็นพี่ชายใหญ่ในดุสิตองค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อต้องรักเคารพในหลวงปู่บุญมีดันี้เป็นพี่ชายของท่านเป็นพระเหมือนกัน40 40 50พรรษาแก่กว่าหลวงพ่อมราณลภาพเมื่อสองปีที่แล้ว ทำบุญครบสองปีนะเขาจะสร้างพระเจดีขึ้นมาบรรจุพระพรมสารีนิกทาตดแล้วก็จะบรรจุอธิธาต์หรือบรรจุอัฐบริขารของหลวงปู่ศรด้วยฮะเขาก็เลยจัดงานขึ้นมาก็นิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมถุทียะโสธรพอเขาแสดงธรรมสิบเจ็ดสิบเจ็ดสามสิบอ่า ห้าโมงสามสิบเกือบสนะิบแปดเกือบหกโมงนะหลวงพ่อขึ้นเทศประเทศจบแล้วประมาณจะเกือบทุ่มมนะั้หลวงพ่อถ้าพักที่นี่ก็พระเยอะเราควรจะไปวัดหลวงปู่จามวนะปะัดวัดหลวงปู่หลวงอาพ่อไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณร้อยกิโลเองเอา้าออกเนะี่ยแหละก็เลยเดินทางออกจากจะโสธรมาพักค้างที่วัดหลวงปูป่จามประมาณสามทุ่มนะ เลยเข้าไปก็ไปพักที่วัดหลวงปู่จามผงในเช้าโอ้สัทธายาโจงวัดหลวงปู่มากหลวงปู่ก็สบายดีนะแต่วันก่อนนั้นหลวงปู่เหนจะเป็นไข้หวัดมีไข้มีไ ข, ขล้ลุม่มๆหลวงปู่จามนะโดยมากเป็นอย่างนั้น่ะสามวันดีสี่วันไข่อายุร้อยสองปีกับเจ็ดเดือนเข้ามาละหลวงปู่จามนะหลวงอาหลวงพ่อสองร้อยสองปีกับเจ็ดเดื อ, น, นะอนนี้ก็ เมื่อวานวันต่อมาท่านก็ฉันจักรันได้แต่เมื่อวานโอ้โหฉันจักรัได้เยอะนะ <c oughs> เขาว่าเป็นเพราะหลวงพ่ออินไปมั่งเห็นหลานชายท่านก็เลยฉันอาหารอร่อยเออท่านฉันได้มากเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่พอมานั่งเลยก็ฉันของท่านเลยขนาดพวกเราฉันเสร็จแล้วท่านก็ยังฉันของท่านอยู่งหมือนเนี่ยพอเสร็จแล้วท่านขึ้นไปพักผ่อน <c oughs> พวกเราก็เลยไปหลวงพ่อก็เลยพาไปวัด ไปวัดคุณแม่ไปดูความเรียบร้อยเกดีของคุณแม่ขรัอู้ก็จัดดีดูแลดีสวยงามเรียบร้อยจากนั้นเราก็ได้มอบปัจจัยให้คุณแม่ชีเป็นค่าอาหารเพราะม่ชีอติเลกะาลาบน้อยเราก็ให้เออเอาอาหารให้คุณแม่ชีหมื่นหนึ่งนะพอเสร็จแล้วลูกพ่อกับกลับมาถึงวัดมาวัดถึง บ่ายสามโมงวกว่ามัเมื่อวานพระปัดกวาดที่วัดแล้วนี่แหละภารกิจของหลวงพ่อนะที่บอกให้ลูกหลานได้ฟังในรายละเอียดพอสมควรหลวงพ่อไปยังไงทําประโยชน์อย่างไรต่อชาติต่อพระศาสนาอ่โดยมากหลวงพ่อไปไมีแต่ไปไมีแต่ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์จึงไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนต่อพระพุทธศาสนา เพราะเราวัดของเราก็ไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนพอเป็นพอไปอยู่แล้วถ้าว่าใครเขาตามถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงนะไม่ทุกไม่ทุกมากหรอกเว้นเสียที่มีแต่อยากอยากอยากอยากไปที่ในทุกหมดไปที่นโลบหมดอันนั้นทุกนะถ้าว่าเรารู้จักการบริหารจัดการไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน สิ่งไหนควรจะเก็บสิ่งนี้นควรจะหาหามาไหนแล้วเก็บยังไงบริหารจัดการอย่างไรอย่าไปใช้แบบฟุ่ม เ, เฟือยฟุ่มเฟือยอย่าไปใช้แบบลืมตัวอย่าไปใช้แบบที่ว่ามันจะมาอีกอย่หลอกแต่จะไปคิดเราต้องเตียมไว้ดีกว่าอย่างยางพาราทุกวันนี้มันขึ้นถึงเบปาทพวกเราก็ใช้มันมือเลยใช้เงินแต่ทุกวันนี้มันลดลงมาสามบบาท เราก็หน้าจอยงอยเงากันอะไรท่านนีอยากจะให้มันแพงขึ้นอย่างเก่ามันแพงจะทำยังไงได้โลกอันี้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็จะให้กิโลละพันมันนะแต่มันเป็นไปไม่ได้จะทำยังไงเพราะนั้นเวลามันขายราคาแพงเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บเก็บเก็บในช่วงที่มันมันราคาแพงถ้ามันราคาถูกเราก็ต้องทำใจแหละทําังไงได้เราก็อยากจะได้ราคาแพง จะทำยังไงได้แล้วก็ต้องขายถูกเขาขายถูกถูกเพราะอะไรนี่แหละอันนี้ก็คือการบริหารจัดการในการเป็นอยู่ปัจจัยสี่ถ้าเราทำบริหารจัดการพบถูกต้องแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนนะข้าราชการญาติโยมโ ล, ลูกหลานนะให้รู้จักการใช้จันทุกถีสันทุกถี ประมังทะนังความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐสรุปแล้วก็คือให้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าไปใช้เกินตัวถ้าใช้เกินตัวแล้วก็อย่างที่ว่านั้นที่หลวงพ่อไปแต่ละครั้งหนเหมือนกันที่วัดของเราเออเป็นไปได้แบ่งได้หลวงพ่อยังค่อยแบ่งออกไปถ้าเราจนอยู่แล้วเราไปแบ่งมันก็ทําให้ตัวเองเศรษฐกิจครอบครัวของเราก็อยู่ลําบากวัดของเราก็อยู่ลําบาก วัดของเราพอเป็นไปได้อยู่แล้ว เ, เราไม่มองใครเลยนั่นก็ไม่ถูกต้องอมนโนธรรมค่อยๆว่ามนโนธรรมคือใจตัวเองติเตียนตัวเองทําไมเราเป็นไปได้อยู่ทําไมเราจึงไม่ช่วยคนอื่นเขาบ้างอันนี้ก็คือใจของเราติเตียนเราฮะแต่ไม่มีไม่มีใครรู้หรอกว่าเอว่าเราให้หรือไม่ให้คนอื่นเขาไม่รู้แต่ใจของเรารู้ว่าเราเนี่ยใจดําเกินไปหรือเปล่า โลกของเดือดร้อนถึงขนาดนี้เราไม่ช่วยเขาบ้างเหรอนะนเอนี่ยมโนธรรมนะมนโนธรรมหรือมนโนคือใจของเราตีเตียนตัวเองเนะพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ลา้พวกเราคณะสัท ธ, ธายญญาิโยมลูกหลานหน้าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนีครับเป็นแนวความคิดอันหนึ่งที่พวกเราควรจะรับรู้รับทราบว่าพระพุทธศาสนาครูปาอาจารย์พระสงฆ์อยู่ในป่ารงพงไพ่อย่างหงพ่อนี่ ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรไม่ได้นิ่งดูได้เมื่อเขาทุกข์ลำบากอย่างไรเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือก็ช่วยเขาช่วยเขาโลกอันนี้โลกใบนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขอย่างเดียวตลอดไปไม่ได้นะอย่างที่ลุงพ่อเคยพูดข้าวนี้ตาข่าข้าวหน้าตาเองฮะต่อไปอาจจะเราอาจจะลําบากก็ได้ถ้าเราเคยช่วยเขา เขาก็ต้องเห็นว่าเออเนี่ยทางอีสานคูบาอาจารย์เคยช่วยพวกเราเนี่ยถึงข่าวนี้อีสานคูบาอาจารย์ลำบากแล้วเนยเขาก็ต้องมาช่วยเราอันนี้เราไม่ได้หวังอย่างนั้นหรอกแต่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพอน้ําใจมันต้องไหลไปไหลมาเพราะนั้นเวลาเขาได้รับความทุกข์ยากลําบากพวกเราก็ควรจะช่วยเนี่ยข่าวนี้ตาฆ่าเขาหน้าตาเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะถ้ะตอนนี้ไป พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรณฑ น, นีเนะ่า